ปโมูลกะใน95อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัย ปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยและมานานุสัยอันกระจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยเฟอการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามาธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัย กามาราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยอันเกิจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยเคือภวะราคานุสัยอันเกิจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นยังมีอนุสัยเคือมานานุสัยปฏิ บุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกลามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิปนาครามีบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกลามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสอง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 บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยกามาราคานุสัยและมานานุสัยอองเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและปฏิคานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยและมานานุสัย ติกมูลกะในจบจตุกะมูลกะใน96อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปัิตานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในคามมาธาตุบุคคลนั้ น, นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสยัยกรมราคานุสยัยมานานุสยัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากภาพนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนสุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้ น, นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสยัยปฏิคานุสยัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากภาพนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยและมานานุสัยเจตุกรรมูลกะในจบปัญจกรรมูลกะใน97อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิขานุสัยมานานุสัย File. ทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหม วิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือคามาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือคามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุ บุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจญานุสัยแองเกิลจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือออวิชานุสััยกาุใดบคคลนนัั้ก็ยงมีอนุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัย มานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจาก่านนั้นใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจาก่านนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปัตตานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุ และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิชิกิจฉานุสัยบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่าน like> ั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัย ปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในความทา่าดบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยกรรมราคานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากทา่านั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนา บุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือการมราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในครามมาตคบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย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 และภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิตานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิชิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 บุคคลสองจำพวกในรูปะธาตุและรูปะธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิถานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยกามราคานุสัย และมานานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยเพือปฏิธานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยเพืออวิชานุสัยและปฏิธานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยเพื่อกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัย และภาวะราคานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุใสเคอรวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภาวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุใสเคอรการมราคานุใสและปฏิราคนุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุใสเคออวิชานุสัย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 มา น, านุสัยและภวะราคานุสัยชักกะมูลคะาในจบอนุโลมในสานุสยะวาระจบ 2. ส, สานุสยะวาระปฏิโลมบุคคล เอ็กะโลกะใน99อนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมาาคนุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิอนนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตะบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอ BON นุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่มีอนุสัยค cool. ือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัย บุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกลางมาราคานุสัยแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันต์บุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัย แล้วก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยใช่ไหมวิใช่หนึ่งอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิมานาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่นี่แค่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัย อรหันตต่บุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิชิกิจานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิภานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิภานุสัยบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิชานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิภานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิภานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันตตบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ ร้อหนึ่งอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสมจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัย พระหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยและไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อยสองอนุ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานอนุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อยสอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัย อวิชานุสัยใช่ไหมวิบุ right? บคคลสามจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปติบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อสอนุ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เอฟาโมลกะในจบทุกกะมูลกะในร้อยห้าอนุ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั ites, ้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือกรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่นี้ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันต์บุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคะนุสัยปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือคามมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิชานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยแต่นี้ใช่ไม่มีอนุสัยคือกวามมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกวามมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุ บุคคลใดไม่มีอ <objetos> น <reserve> <iento> ุส <Just heit emen> ัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่มีใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันตบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ทุกกะมูลกะในจบติกะมูลกะในร้อยหอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิใช่ ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยค si. ือวิจิกิจฉาอนุสัยบุคคลนั้าานก็ไม่มีอนุสัยคือการมารา inhal, ค, น one, anyway. คานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัย แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันต์บุคคลไม่มีอนุสัยเคือวิจิกิจชานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยเคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยเคืกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยเคือภาวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิใช่เติกกะมูลกะในจบจะตุกะมูลกะในร้อยเจอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชาอนุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชาอนุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือคามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชาอนุสัยและทิฏฐานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือคามาราคานุสัย ปัตตคานุสัยและมานานุสัยอนาคามีบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยการมาราคานุสัยปัตตคานุสัยและทิฐานุสัยแต่ไม่ใช่ไม um ่ม um ีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตแต่บุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปัตตคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยจะตุกะมูลกะในจก ปัญจกมูลกะในรอยแปดอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือคามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุใสคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสใสคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสใสคือคามาราคานุสัย ปฏติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิใช่ปันเจมูลกะในจบชากระโมลกะในร้อเกอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปัติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัย Susan, คืออวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่จักกมูลกะในจบ โลมาโอกาสเอกโมลกไนรอยสิบอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุในั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตถุ บุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิกานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยค ama, ือกามาราคานุสัยในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม วิใช่อนุบุคคลไม่มีอนุสัยเหอกามาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยเหอทิ่ฐาน faithful, ุสัยวิจิกิจชานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยเหอกามาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกในวัตถุ บุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปติบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือความาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยในทุกคเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือความราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุด ก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกลจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกวามมธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอังเกลจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอังเกลจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุ บุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอังเกดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอังเกดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อออนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปติคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามธาตุ และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นก็มิแค่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือม า, านานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอังเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในทุกขเวทนาบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยแองเกิลจากธาตุนั้นแล้วก็ไม enfin ่มีอน <endured> ุสัยคือปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแองเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม วิในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏตติคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยในเฉพาวัธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ไม่มีอนุสัยเคอปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่มีอนุสัยเคยปฏิคานุสัยอังเกลอจากธาต์ใดก็ไม่มีอนุสัยเคยภาวะราคานุสัยอันเกลอจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาต์บุคคลไม่มีอนุสัยเคอปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยเคยภาวะราคานุสัยในเวทนาสองในกลางมัทธา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 แต่ม่แท้ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในความมาธาตุ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 วิใช่ร้อสองอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคืทิฏฐานนุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนาบุคคลไม่มีอนุสัยเคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยในจาระวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์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 แล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยแง่เกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยแง่เกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยแง่เกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยแง่เกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่มีอนุนสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม yani ่ม an ีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอังเกจจากธาตุดก็ไม่มีอนุสัยคือทิฐานุสัยอังเกจจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้ออนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอังเกจจากธาตุดก็ไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอังเกจจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอังเกจจากธาตุด ก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสามในกามาธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่นี้ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยในจัภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอนุ บุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยแองเกิดจากธาตุใดก็มีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยแองเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อสหอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยแองเกิดจากธาตุใด ก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากทาตนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสามในกามมาธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากทาตนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกบุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากทาตนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิ บุคคลไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่เอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในร้อยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิธานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกขบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิธานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่เช่นนี้มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ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 อันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยในจภาวาธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยแองเกิดจากธาตุใด ก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ทุกกะโมลกะในจบเตกะมูลกะในร้อิเจอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานนุสัยวิชิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ ปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยค yes. <mas> ือวิจิกิจานุสัยแันเกิลจากธาตุดก็ไม่มีอนุสัยคือกลามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ไม่มีอนุสัยคือเพราะว่าราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลไม่ม <Force review> ีอน <ian word> <knowledge> ุส mm ัยเือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยเือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยแอนเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่มีอนุสัยเือภาวราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยแอนเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยในเวทนาสองในการมรรท บุ ise, ะคคลไม่มีอน <Ừ. sigu S 2> ุสัยคือภาวราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและมานานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัย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 บุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากทาตใดก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากทาตนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากทาตใดก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากทาตนั้นใช่ไหมวิใช่ ร้ออนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิตานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิชิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือเพราะวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยคือเพราะวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิตานุสัยมานานุสัย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 แต่มิเค่ไม่มีอนุสัยคือคามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์บุคคลไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยร้อยี่สิบอนุ บุคคลไม่มีอนุสัยเคือกลามราคานุสัยปติคานุสัยม า, านานุส SE, ัยเทฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยเคือวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่มีอนุสัยเคื่อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่มีอนุสัยคือคลามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย